ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อจานี้ไปโปรดรับฟังเรื่องราวในพระมหาปฏิปทานนสูตรซึ่งเป็นข้อวัดปฏิบัติที่จะนำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เมื่อกี้นี้ตอนที่จบจาก แามาทชช่ทันจบจะหยุดจากพระสูตรบอกว่าเรื่องนี้เป็นนวสีความจริงไม่ใช่เป็นเป็นธาตุสีธาตุสีนี่ก็อยู่ในกายานุปัสสนามหาปฏิปทานาสูตรความจริงมหาปฏิปทานนี่แบ่งออกเป็นสี่แบบคือกายานุปัสสนาหนึ่งเวทนานุปัสสนาหนึ่งจิตานุปัสสนาหนึ่ง ทำมานุัสนาหนึ่งแต่ความแล้วความจริงก็น่าจะบอกท่านหลายว่าอะไรมันเป็นอะไร แ, แล้วแล้วกันมาแล้วกันไปก็คือว่าไม่ได้บอกกันดังนี้เพื่ออะไรก็เพราะว่าอาศัยความรีดเป็นสำคัญเกรงว่าจะจัดการให้ไม่ทัน เป็นอนุว่าตั้งแต่หนึ่งอนนาปานบับคนดีจริยาบทคนดีสัมปัญญาคนดีแล้วก็มาอะไรล่ะมาบริกูลับคนดีทาาศีกคนดีนวศีกคนดีทั้งหมดนี้เป็นกายานุปัสนามหาปฏิปทาน เป็นเรื่องที่ว่ากันถึงภายในกายก็ไปนํามารู้กันว่าเรื่องของในกายแล้วก็จะสรุปไปฟังอีกทีหนึ่งเมื่อจบกายานุปัสนามหาปฏิปทานก็จะสรุปในข้อนี้ว่าเราควรจะรวบรวบ ร, ร, รัตในการปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะสมควร นี่การปฏิบัติประจรมาฐเพราะว่าการเป็นนักบวชการเป็นนักปฏิบัติขอบันดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมอิธิบาทสี่จรณะสิบห้าและก็บรารมีสิบรักษากำลังใจทั้งหมดนี้ไว้ให้ครบถ้วนการทรงจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์ จะ ใ, ใช้คาาาําภาวานาหรือว่าพิจารณาในมหาสติปัฏฐานาสูตรทั้งสี่ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านพอใจเมื่อพิจารณ า, าตอนต้นเป็นสมถะสรมทรงอยู่พิจารณ า, าตอนปลายก็เป็นมีปัจจัยานัยถ้าเฉลาดในการพิจารณ า, าก็ใช้เพียงมหาสติปัฏฐานาหมดใดหมดหนึ่งท่านก็เป็นพระอระหันต์ได้ แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นพระโสดาสีทาคานาคารัานไม่ได้ท่านก็เรียกยังเรียกว่าเป็นท่านผู้ปฏิบัติเพื่อระโสดาปฏิมรักก็ยังชื่อว่ามีความดีอยู่มากไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ถิงอะไรก็ดีขบัรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนา เรื่องจรณะสิบห้าบรมีสิบมีความสำคัญมากจงอย่าทิ้งถ้าเกิดได้การท้อถอยขึ้นมาก็ใช้อิธิบาสิบและการเขาควบคุมจิตก็จะมีกำลังสามารถจะส่งความดีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะสิบห้าบรมีสิบถ้าว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วน คำว่าบรรลุมรคลมันเป็นของยากดีไม่ดีมรผลก็ไม่บรรลุแต่กลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปเพราะจิตมันยากดังนั้นขอบรรดาเพื่อนสศรษมีกระได้ญาติโยมพู้บริษัทอ่าทิ้งความดีส่วนนั้นเอาเวรแดงกันนะรกไปก่อนและจงอา่าคิดว่ามันลำบาก เราลำบากในการต่อต้านความชั่วดีกว่าเราเป็นมิรของความชั่วมันจะพาตัวลงอบายภูมิสำหรับภาตสีน่นี้ตามธรรบาลีทานวายอย่างนี้ปุณ่าจักรรรังพิกเวพิขุดังนี้เป็นต้นความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีก พิสุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แหละโดยความเป็นธาตุว่าอาธิมาสิงกายเยที่มีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นธาตุดินนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมเมื่อดูก่อนวิสุทธ์นั้นหลายแม่ชั้นใดเหมือนกับ คนฆ่าโคแล้วลูกมือเขาบอกคนบู่าโคู้ฉลาดฆ่าแม่โคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็นั่งอยู่ในทางสีแ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายฉันนั่นแลพิสุย่อมพิจิตร น, นาย ย่อมพิจรารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นคาดว่าสิ่งที่มีอยู่ในธาตุนี้คือในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟดังนี้พิสุย่อมพิจรารณาห้กายในกายเป็นไปภายในบ้างพิจรารณาหิ้กายในกายเป็นไปภายนอกบ้าง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 หรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้า เ, าเธอเทอนั้นเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพื่อนแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูกรวิสุทธิทั้งหลายวิสุย่อมพิจารณาให้กายในกายเลียงเลยงดังนี้แล นี่ว่าการทัองตามพระบาลีที่องค์สมเด็ดจระชินาสีบรมศสาสนดาสมมาสมุทธเจ้าสงตรัส <c oughs> เวลานี้ก็เอาพระบาลีเข้ามาว่ากันไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันที่ไอคนบางหลายเห็นว่าคำสอนทุกคำนะ่ะเป็นเรื่องของผมแตู่นเดียว ดีเมือนดีเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไปใครเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าน่ะผมไม่หนักใจแต่ถ้าเมื่อไรผมรู้มีความรู้สึกตัวว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นผมก็มีโอกาสมีหวังแน่นอนว่าได้ไปอยู่กับเทวทัตแน่เป็นอันว่าความเป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีสําหรับผม ผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเจ้านั้นก่อนที่จะกล่าวธรรมะใดๆจึงเอาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมิมศัสสันดามากทรงว่าไว้ก่อนเอาไปเรื่องึินนานี่ตามใจความคำบาลีข้อ น, นี้ในท่าศีก็มีอยู่ว่าองค์สมเด็จต ร, ระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแนะนําพวกเราว่าให้มีพิจรารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรื่องธาตุนี้จะเรียงเหมือนท่านหรือเรียงไม่เหมือนท่านไม่สําคัญสาคัญอยู่ว่าให้มีความรู้สึกว่าไอธาตุในร่างกายของเรามีสี่ นี้ตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบคุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งออกเป็นสีเป็นส่วนๆคือเอาเนื้อไปไว้เนื้อเอาหนังให้กันดูเพว่ส่วนหนึ่งเอาลำเลือดนลำเหลืองลำหนองไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ถักไฟ ธาดน้ำนี่เขาเจอวางไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แล้วก็มานั่งพิจารณาว่าโอ๋นอโคโตัวนี้ที่แรกจริงๆเราเห็นมีเขามีหนังมีหูมีขนสวยท่าทางสงาา่าผ่าเผย แล้วเวลานี้ถูแลนแบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็ดูไวปไว้ทางหนึ่งเอาหนังไว้หนังไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไว้ทางหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไว้ทางหนึ่งมองดูแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันเต็มไปด้วยความสุขปรกเต็มไปด้วยความสโสโครกและก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีการทรงตัวมัมีความเสื่อม คือเจ้าโคตัวนี้ก็ขณะที่มันจะเกิดมาทีแรกมันออกมาจากท้องแม่มันก็ตัวเล็กนิดเดียวต่อมาความเติบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏความเติบความโตขึ้นมาแล้วมีเนื้อหนังสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เห็นว่าเป็นโคสวยน่ารัก แต่เวลานี้เราแลบอาไว้เป็นส่วนๆ น, นี่เราหาความสวยสดเพื่งามความในความเป็นโคเพือเธอไม่ได้เลยไม่มีอะไรตรงไหนทองโคน่ารักเพ่งกล่าวว่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดประโยคาวายจรทั้งหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณา ในเรื่องธาตุสีนี้ไม่ใช่เป็นนั่งภาวนาก่อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟฮะจะเอกรบะปัจวีธาตุเตโชธาตุวาโชธาตุอาโปธาตุอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องทำไมฐานกองนี้เป็นด้านสมถะภาวนาในการพิจารณาตอนต้น ท่านให้ใช้จิตพิจารณาว่าร่างกายพวกเรานี้ก็เหมือนกับร่างกายของโคที่ถูกเชือดแล้วความจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งทึบเป็นร่างกายเป็นเรือร่างขึ้นมาเนื้อแท้จริงๆของมันก็คือธาตุสี่เพื่อธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟวันก่อนท่านพูดที่อาการสามสิบสองแบ่งเป็นชิ้นเปนส่วน เนคราวนี้ไม่อ ย, อย่างนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มีความแข็งเช่นหนังคนดีเนื้อคนดีกระดูกคนดีอย่างนี้ที่มีอยู่ในกายเรียกว่าธาตุดินความเหลวในร่างกายที่มีน้ํำลายน้าเลือดน้าเหลืองน้าหนองอุจจาระเอขอโทษปัสสาวะเป็นต้น ปัสสาวะและน้ำลายเป็นต้นั้งหลเหล่านี้เป็นธาตุน้ำอาการที่พัดไปในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายเรียกกันว่าธาตุไฟขณะใดที่ธาตุทั้งสี่นี้ยังมีความสามัคคียังมีกำลังเสมอกันเพียงใดก็ชื่อว่าธาตุนี้ ร่างกายนี้ก็ยังทรงสภาพเป็นปกติคำว่าทรงสภาพคงจะเป็นปกติก็สแสดงว่ามันมีการเปล่งปลัง่งมีผิวพรรณวันณะาผุดผ่องน่าดูน่าชมน่ารักน่าปรารถนาน่าชอบใจแต่ว่าธาตุทั้งสีน่นี้ถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องลง สมมติวา่าถ้าธาตุไฟอ่อนกำลังลงความอบอุ่นในร่างกายก็มีน้อยธาตุอื่นทั้งหมดก็ทำอันอันตรายสิ่งกันเลยกันธาตุไฟมีความอบอุ่นเพราะเพื่อให้ธาตุน้ำกับธาตุดินมีกำลังสมดุลกันถ้าไม่มีธาตุไฟเสร็จแล้วธาตุน้ำก็ละลายธาตุดิน ทำอันตรายลับธาตุดินทําร่างกายที่เป็นส่วนของธาตุดินให้มีกําลังย่อยหย่อนลงไปร่างกายเราก็เกิดโรคท่านี้สมมุติว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าธาตุน้ําขาดไปร่างกายก็สูบซีดหมดกําลังเหมือนกับคนที่ป่วยขาดน้ําไปมากๆหมอให้น้าเกลือเป็นการช่วยธาตุน้ํา ก็จะพูิพอมีกำลังขึ้นนี่ถ้าธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินหย่อนลงไปมันก็พร่อมแงแฉเดินไม่ไหวร่างกายเหมือนกันไม้จิ้มผีก็ไม่มีอะไรจะดูดีเปรา น, นั่นว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าทำาปรนบอกว่าประกอบไป่ได้ธาตุสี มีการพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุสีมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรานี่ผมขอพูดย่อ <c oughs> เพราะตามพระบาะลีท่านกล่าวว่าอย่างนั้นบอกว่าเห็นความเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นความเสื่อมไปในร่างกายทั้งกายภายในคือกายเราแล้ว ก, กายภายนอกคือกายของบุคคลอื่น เราก็สักตะวันเห็นสักตะวารู้เราไม่ยึดไม่ถือร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ตอนนี้เป็นวิปสัสนาญาณเราก็ท่าสี่คือร่างกายเข้ามาเป็นประทัตฐาน <c oughs> ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่วาร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาด้ยท่าสี ธาตุสี่นี้มีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันรวมตัวกันในขณะแรกมันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รวมตัวกันดีหน้าตาทิวพันธ์เปล่งปลั่งสวยสดงดงามมีกาลังวางชาดี <c oughs> อันนี้ในการต่อไปธาตุสี่นี้เมื่อมันมีความเจริญถึงที่สุดความเสื่อมมันก็ปรากฏ หมายความว่ามันเข้าถึงจุดอิ่มเหมืนก็น้ำที่เขาใส่ไว้เต็มถังมองดูถังก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจนี่ว่ากระแสน้าที่ไหลเข้ามาขัางอยู่ในอ่างที่เขา ก, กไว้อ่างเมื่อเต็มมีน้ำเต็มเตี่ยมแล้วก็มีความชื่นใจเห็นความผ่องใสของน้ำ ตอนนี้สำหรับน้ำที่เต็มแล้วเขาก็ยับยั้งน้ำเก่าน้ำที่หลังไ ห, หลส่งเข้ามาในอ่างเขาก็ยับยั้งไม่ไ ห, หลกลับมาใหม่ลอยให้น้ำในอ่างนั้นสรงอยู่แต่ภาคสงอยู่ตามัต่ภาพของมันเองตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบารกาศบ้าง ซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ำมันก็ย่งน้อยลงไปทุกทีทุกทีน้ำเก่าหมดไปน้ำใหม่ไม่เข้ามาถึงแทนที่จะมีะบ้างก็เล็กน้อยไม่พอสมดุลกันก็เหมือนกับร่างกายเขาบอคคลเราที่หนุ่มสาวเต็มที่แล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงมันก็จะพบกับความสุดโทมร่างกายก็จะหอ่อใจเหี่ยว จะสู้จะซี้ไปทีละน้อยละน้อยตอนนี้ก็น่าจะนึกของเรื่อ ง, ของเขาวรีวัติเทระตีเห็นว่ายาคุณยายของท่านเยาวสาวทั่งมีอายุทะงร้อยยี่สิบปีมีผมงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีหลังโกงนี่แหะสภาพของท่านน้ํา่านดินท่านไฟเมื่อเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยสภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ ในที่สุดคำที่เราดีคือความผ่องใสความสวยสดงดงามมันก็ไม่ปรากฏมันปรากฏแต่ความเหี่ยวปรากฏแต่ความแห้งปรากฏแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมมองแล้วมันก็เจืดทุกตานี่เป็นอันว่าไม่มีความดีอะไรเลยที่จะเพึงเกิดขึ้น ไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรน่าชมที่เป็นอย่งงางนั้นเพราะอะไรเพราะความเสื่อมมันเข้ามาถึงที่เราเรียกกันว่านิจังไม่คลายเข้ามาอ น, นิจังนี่เป็นวิปัสนาญาณ น, นี่ธรรมดาร่างกายมันมีสภาพอย่างนี้และจิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดารอเปล่า ทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เราเยืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่เราทำงานบ้างเราว่างจะ ก, กินการงานบ้างท่านท่านหลายมีความรู้สึกไหมนะเปล่าว่าร่างกายของเรนี้มันมีสภาพไม่เที่ยงนี่เป็นกฎธรรมดารของมันแล้วมันก็ยะสุดจะสมไปตามปกติไม่เคลื่อนกับไปหาความพัง ในที่สุดอาการสลายตัวของมันก็จะปรากฏมันก็จะาตายในที่สุดงเรียกกันว่านาตานิตานิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอจงอย่ายึดถือเอาร่างกายนี้เราเห็นก็เพียงสัจจะหิน มันเป็นที่อาศัยล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นเพียงที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นเราเป็นของเราเธอท่องหลายจงอย่ายึดถือร่างกายแล้วเธอทั้งหลายก็จงอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้ ทำไมองค์สมเด็จพระชินาสีบุรมศาศสันดาส ม, มาสมุทธเ จ, จ้าถึงตัดอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุด ร่างกายของเราเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุถ น, ถนอมเท่าไรก็ตามมันก็ยังแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยยอมเสียค่าฉีดยาค่ายาป้องกันค่าหมอตรวจสักเท่าไรก็ตามทีก็ยับยั้งอาการป่วยของร่างกายไม่ได้เพราธรรมดานั้นมันเป็นอย่างนั้น แล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยังห้ามไม่ได้อีกถ้าเราห้ามความตายได้บรรดาหมอทั้งหมดในโลกคนที่เป็นหมอมีความเฉลาดในการรู้โรครักษาโรคหมอไม่ตายและก็นอกจากนั้นพ่อเขาหมอแม่เขาหมอญาติเขาหมอปู่ย่าตา ย, ยายญาติพี่น้องเขาหมอไม่มีใครตาย ก็หมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ในการรษาโรคแต่ถ้าว่าจะว่าแต่ยากของหมอเลยตัวหมอเองก็ยังตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความตายนี่มันเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีเวลาที่จะตายเป็นที่สุดอาการอย่างนี้มันเป็าการธรรมดาของโลก ของร่างกายวัตถุสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันองค์สมเด็จพระพระุทธกาลกล่าวว่าจงถห็ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นแล้วว่าความเสื่อมไปของร่างกายนี้เป็นธรรมดาการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาก็สแสดงว่าจิตของเราไม่เข้าไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา ในเมื่อร่าเราวางภาระคือร่างกายฉันได้แล้วเราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อไม่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่เราทราบวัาธรรมดาของมันจะแก่ความเดือดร้อนเมื่อมันมแก่เราก็ไม่เกิดขึ้น ถ้าการป่วยไข้ไม่สบายปรกขึ้นเราก็ทราบชัดว่ า, าการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาความผดุ้งสะเทงของใจความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความตายมันจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะทราบแล้วว่ามันจะตายเรืทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็มีสภาพเหมือนกันเราไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นขเราเมื่อมีอยู่ไม่ชีวิตอยู่ก็อาศัยมัน เราก็ใช้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะหายก็หายไปมันจะพังมันก็พังไปหรือว่ามันยังอยู่เราตายเราก็ไม่มีความห่วงให่ในมันนี่รบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่องค์สมเด็จพระภุทธองค์ท่านมุรมัสศาสนาสอนไมยถือก็เรียกว่าให้ใช้สกายทิฏฐิ พิจารณาเป็นตัวตัดกิเลสเพราะกิเลส ท, ทั้งหมดเราตัดด้วยาการอย่างเดียวคือส ก, กายาติธิพิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราในความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคเราวเท่านั้นหรือบป็นบ้านเช่าที่อาศัยั่วยราวไม่ชาเราก็ต้องไปจากมัน แต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่ออกไม่ขอยอมกลับมาพบว ก, กวัร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้อีกคือเราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจในข้อที่สังโยชน์หนึ่งที่เรียกว่าสกายอิทธิติถ้ารมอย่างนี้ปรากฏขึ้ น, สนแสดงว่าเราก็ไม่สงสัยตัดวิจิกิิชาใี้ได้ อาศัยที่เราคิดคิดว่าเราจะไม่ต้องการมาเกิดอีกแล้วก็ส่งสีให้บริสุทธิ์เป็นการป้องกันนบายภูมิแล้วก็ทำลายการมฉันทะกับปฏิฆคือความรักในเพศหรือความโกรวความจ่ำบาดเสียป้องกันกา ร, การเกิดต่อไปทำกำลังใจเข้าถึงพระอนาคามี พอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายัางถือว่าพระนาคา ม, มีก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติเพระนั้นเมื่อองสมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาสรงเขาเราแล้ ว, ลวเราก็อย่าตามสมเด็จพระบัณฑิตแก้วไปพระนิพันธ์เราก็ตัดอารมณ์หลงในรูปฌานและรูปฌานเสียตัดมานะความถือตัวถือตนเสียความจริงมันไม่มีอะไรจะเป็นหน้าถือตัวถือตนคนและสัตว์มันก็เท่ากัน ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านทีปรารถนายัางอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะคนนิพผานอารมณ์ใจของเราีน้นั้นตัดฉั้นท่ากับราคะคือความใพอใจในร่างกายย้ายมีเกิดขึ้นในจิตความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นย้า้มีขึ้นในจิตความติดยุว่านน้นเป็นของเรานี่เป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกันย้ายมีอยู่ในจิต อารมณ์วางได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิทิวตัดอวิชชาเสียได้แต่ความจริงก็ตัดที่สกายทิฐีตั้นเองเมื่ออารมณ์จิตกระบดาดท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอย่างนี้เป็นเอกตารลมโดนนิยมทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าท่านเป็นอาลารตะลพระบารดาท่านพุทธศาส น, นิกชนวันนี้ก็พูดมาเทิงทาตุลบัปเื่อธาตุสี มองดูเวลาก็เห็นสมควรกับเวลาต่อที่นี้ไปก็ามรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโดยทุน้าจงใช้อริยาบทให้เป็นเวตามติยาใสของท่านพิจารณาประกาศมฐานในทาสี่และในด้านวิปัสนาญาณตามที่กล่าวมาแล้วตามกระแสพวัสดธรรมเทศสนาขององค์สมเด็จพระพุทธแก้ว หากว่าท่านทำได้ตามนี้แล้วความทิ้งที่สุดของความทุกจะมีกก่ท่านตอนน่อไปขอตุกท่านจงปฏิบัติเพกรรมฐานตามอิทธิยาบทที่ต้องการจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี